บทที่เจ็ดสิบเจ็ดทุนเสริมสมองเมื่อมาถึงกุฏิคุณหญิงปทุมทิพย์ไม่พบนายขุนทองจึงถามบุรุษวัยห้าสิบเศษที่นั่งอยู่เพียงคนเดียวตรงอาสนะไปไหนกันหมดหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าอยู่ครับท่านอยู่ข้างบน กำลังฉันเพลนเขาตอบงั้นขึ้นไปเรียนท่านด้วยว่าเสร็จแล้วให้ลงมาพบคุณหญิงปทุมทิพย์หน่อยคนใหญ่ผิดที่บัญชาคงไม่ได้หรอกครับผมเองก็ต้องนั่งรอท่านอยู่ที่นี่เขาปฏิเสธเมื่อไม่ได้ดั่งใจคนเป็นคุณหญิงก็แหวโอ้อยไม่รู้อะไรกันนักหนาะ ไปวัดไหนวัดไหนจ้าอาวาสท่านก็รับรองอย่างดีไม่เห็นจะมีเรื่องมากเหมือนเจ้าอาวาสวัดนี้เลยก็ไปวัดอื่นสิครับคนกำลังหงุดหงิดเพราะเมียหนีพูดแดกดันคุณหญิงหันมาค้อนแล้วว่าก็ไปมาแล้วแต่มันไม่สําเร็จฉันเสร็จท่านพระครูก็รีบลงมารับแขกด้วยไม่อยากให้ญาติโยมต้องรอนาน ท่านสั่งให้ในายขุนทองไปตามภรรยาของบุรุษผู้นั้นมาแล้วก็จัดการตามที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้บุรุษวัยห0สิก้มลงกราบขอขมาคนเป็นเมียต่อหน้าท่านพระครูและคุณหญิงปถุมทิพย์ปลอบใจตัวเองว่าก็ยังดีกว่ากราบต่อหน้าคนทั้งกุิแล้ ว, วะจากนั้นจึงพากันกลับบ้านผู้มีความทุกข์ทั้งหลาย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 ใส่กระเป๋าถือไปฝากด้วยใช่ไหมขวดน้ํากรดที่ซ่อนในกระเป๋าถือของคุณหญิงนะ่ะท่านพระครูเห็นเพราะเห็นหนอบอกทําไมหลวงพ่อทราบคะดิฉันอุตส่าห์ซ่อนมาอย่างดีดิฉันเจ็บใจคะ่ะคราวนี้เธอร้องไห้เพราะความคับแค้นใจแล้วการทําอย่างนั้นจะช่วยให้คุณหญิงหายเจ็บใจหรือ คนเป็นคุณหญิงไม่ตอบได้แต่ก้มหน้าร้องไห้กระสิกกระชิกอาตมาขอบินทบาตเถอะนะอย่าได้สร้างเวณสร้างกรรมให้ตัวเองอีกเลยที่คุณหญิงต้องมาเป็นเช่นนี้ก็เพราะกรรมเก่านะขอให้นึกซึว่ากําลังใช้กรรมอาตมาสอนญาติโยมเสมอว่ากรรมเก่าให้รีบใช้กรรมใหม่อย่าไปสร้างคุณหญิงเชื่ออาตมาเถอะนะ ดิฉันทำกรรมอะไรไว้ลหรคะหลวงพอ่อถึงต้องมาเป็นเช่นนี้ก่อนที่จะมาแต่งงานกับรัฐมนตรีดิฉันก็เคยมีสามีมาก่อนและก็ถูกเพื่อนแย่งไปถามทั้งน้ําตาถ้าคิดตามหลักของเหตุผลก็ต้องว่าเพราะคุณหญิงเคยไปแย่งของคนอื่นเขาถ้าชาตินี้ไม่ได้ทําก็แสดงว่าต้องเคยทํามาครั้งอดีตชาติ แล้วกรรมนั้นมันก็ติดตัวมาเกิน 60% เปอร์เซนอาตมาวิจัยแล้วว่าใครก็ตามที่ผิดศีลข้อสามและบาปนั้นติดตัวมาเกิน 60% เปอร์เซน์รับรองว่ามีสามีสามีก็ต้องมีเมียน้อยมีภรรยาภรรยาก็มีชู้และถ้ามาในชาตินี้ยังเลิกไม่ได้บาปกรรมก็จะไปตกกับลูกหลานมีตัวอย่างแล้ว เพิ่งกลับไปเมื่อตะกี้นี้เองสามีเป็นพลตรีภรรยาเป็นพันโทมีลูกสาวสามคนไปเป็นโสเพณีหมดเพราะพ่อเจ้าชู้ลูกก็เลยต้องรับกรรมมาร้องไห้กับอาตมาทั้งผัวทั้งเมียเพิ่งกลับไปเมื่อสกักครู่อาตมาสั่งให้มาเข้ากรรมฐานเพื่อแก้กรรมให้มาทั้งคู่เลยไม่งั้นช่วยลูกให้เลิกอาชีพโสเพณีไม่ได้ แล้วรายของดิชันล่ะคะทำยังไงเขาต้องจะเลิกกันเธอถามอย่างสนใจไม่ต้องทำอะไรก็ต้องเลิกกันอยู่นั่นแหละคุณหญิงผู้หญิงอายุ16กับผู้ชายอายุ61อจะอยู่กันไปสักกี่น้ำคุณหญิงไม่ต้องไปทำอะไรก็หรอกถ้าจะให้ดีก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขามีความสุขความเจริญกันคุณหญิงปทุมทิพย์รีบค้านว่าดิชันทาไม่ได้หรอกคะ่ะ มันฝืนกับความรู้สึกที่แท้จริงทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแต่อาตมาขอเตือนนะอย่าไปทำร้ายเขาอย่างที่คิดใครๆก็มีกรรมดยกันทั้งนั้นอาตมาเห็นกฎแห่งกรรมของท่านรัฐมนตรีแล้วอีกห้าปีคุณหญิงจะรู้อย่างที่อาตมารู้และเห็นไปจดไว้เลยนะว่าปีพุทธศักราช2522 จะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐมนตรีและคุณหญิงก็ต้องทนทรมานไปอีกสมปีจนถึงปี2525 25, จึงจะหมดกรรมนี่เฉพาะกรรมเก่านะถ้าคุณหญิงจะสร้างกรรมใหม่อีกก็เชิญแล้วอย่ามาว่าอาตมาไม่เตือนก็แล้วกันแต่ดิฉันเกลียดมันค่ะหลวงพ่อดิฉันเกลียดนางเด็กคนนั้นเกลียดลูกของมันด้วยคุณหญิงเคยเห็นลูกเขาแล้วหรือ ถึงได้เกลียดยังไม่เคยค่ะตัวแม่มันดิฉันก็ไม่เคยเห็นแล้วทำไมต้องเกลียดล่ะเอาเถอะต่อไปข้างหน้าคุณหญิงจะรักเด็กคนนี้จําคําของอัตมาไว้ก็แล้วกันว่าคุณหญิงจะต้องรักลูกเขาเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะใครจะไปรักลูกของศัตรูเธอเถียงรักหรือไม่รักก็คอยดูไปก่็แล้วกัน อาตมาไม่เถียงกับคุณหญิงหรอกเถียงไปก็เปล่าประโยชน์เราให้เวลานั้นมาถึงแล้วค่อยพูดกันใหม่ตกลงหลวงพ่อจะไม่บอกดิฉันจริงๆแล้วเขาว่ามันอยู่โรงพยาบาลอะไรบอกไม่ได้หรอกคุณหญิงไหวคุณหญิงหายโกรธหายแค้นหายอาฆาตเขาเสียก่อนแล้วอาตมาจะบอกตกลงไหมตกลงค่ะ ถ้าอย่างนั้นดิฉันจะเลิกโกรธแค้นเลิอกอาฆาตพยาบาทก็ได้หลวงพ่อกรุณาบอกดิฉันเธอคะ่ะเธออ้อนวอนอาตมาขอยืนยันอยู่อย่างเดิมว่าบอกไม่ได้เพราะคุณหญิงเลิกแต่ปากส่วนใจนั้นหนักโกรธยังอาฆาตเต็มร้อยเปอร์เซน อย่ามาพูดปดกับอาตมาเลยอาตมารู้ทั้งนั้นแหละเรื่องอย่างเนี้ยใครจะมาโกหกอาตมาได้เอาอย่างนี้นะอาตมาจะยกตัวอย่างโทษของความโกรธความริษยาอาฆาตให้คุณหญิงฟังซักเรื่องเล่าย่อๆนะคือเรื่องของเจ้าหญิงโรหินีซึ่งเป็นพระคณิษฐาของพระอนุรุทเถระแล้วก็พระญาติของพระพุทธองค์ หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จเทศนาโปรโดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้ว <_ d ata> ก็ได้เสด็จมายังกรุงกบิลพั์เพื่อโปรดพระพุทธมารดาเป็นครั้งที่สองพระอนุรุธทธเถระก็ตามเสด็จด้วยบรรดาพระปยุรญาตต่างก็พากันมาเข้าเฝ้ายกเว้นเจ้าหญิงโลหินีผู้ซึ่งเป็นโรคผิวหนังพุพองไปทั่วพระวรากายดูน่าเกลียดมาก จึงไม่ยอมมาเข้าเฝ้าพระอนุรุทธะเถวระจึงเสด็จไปยังพระตำหนักของพระคณิษฐาเจ้าหญิงโรยินีกราบทูลพระเจิฐถาถึงสาเหตุที่ไม่ยอมไปเข้าเฝ้าและก็ทูลถามว่าพระนางเคยทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มีร่างกายผู้พองหน้าเกลียดเช่นนี้พระอนุรุทธเถระเล่าบุพกรรมตั้งแต่ครั้งอดีตให้พระคณิษฐาฟังว่า สมัยหนึ่งพระนางได้เกิดเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพระมทัตแห่งเมืองพาราสีพระเจ้าพระมทัตมีพระสนมหลายคนคนหนึ่งเป็นนางรํารูปร่างหน้าตาสวยงามจึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพระมทัตมากกว่าใครๆพระมเหสีมีจิตริษยาในนางรําผู้นั้นวันหนึ่งจึงแอบนําผงเต่าร้างไปโรยไว้ในกระปุกใส่แป้งของนาง คุณหญิงรู้จักผงเต่าร้างไหมท่านเจ้าของกุฏิถามคนเป็นคุณหญิงไม่ทราบค่ะเธอตอบมามุยใช่ไหมคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งตอบและถามในประโยคเดียวกันถูกแล้วคุณหญิงรู้จักมามุ้ยหรือเปล่าคุณหญิงปทุมทิพย์ถูกถามอีกทราบค่ะเห็นเขาว่าคันอย่าบอกใครนั่นแหละนั่นแหละ พระมเหสีก็เอาผมเต่าร้างไปโรยไว้ในกระปุกแป้งของนางรังเพราะความริษยาเมื่อนางทาแป้งก็เกิดอาการคันแล้วก็เป็นตุ่มผืนคันผุพองทั่วร่างทำให้ได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากจากผลกรรมนั้นก็ทำให้เจ้าหญิงโรยินีต้องมาเป็นโรคผิวหนังญาติโยมอย่าลืมนะว่าโรคกรรมนั้นนะ่ะไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้ เหมือนอย่างเจ้าหญิงโรฮีนีที่แผดหลวงกี่คนกี่คนไม่สามารถรักษาได้เมื่อพระนางได้ทราบกรรมครั้งอดีตแล้วก็ทูลถามพระอนุรุทธเทระว่าจะแก้กรรมได้อย่างไรต้องเข้ากรรมฐานใช่ไหมครับบุรุษผู้หนึ่งตอบมาวัดนี้ท่านสมภารพูดแต่เรื่องกรรมฐานกรรมฐานใครจะแก้กรรมก็ต้องเข้ากรรมฐาน ท่านพระครูยิ้มด้วยนึกขำในคำของบุรุษนั้นจึงสัพพยอกเขาว่าถ้าเจ้าหญิงโรฮีนีมาวัดนี้อาตมาก็ต้องให้เข้ากรรมฐานแต่บังเอิญพระนางไม่ได้มาแล้วพระอนุรุทธเทระท่านทรงแนะนำให้คณถธาทำอย่างไรเพคะคุณหญิงถามผู้ที่นั่งฟังก็พากันหัวเราะคำถามของคุณหญิง ซึ่งลงท้ายด้วยเพคะท่านเจ้าของกุฏิเองก็ขำท่านส่งแนะนําให้พระคณิษฐาขายเครื่องประดับทั้งหมดที่มีอยู่แล้วนําทรัพย์ที่ได้ไปสร้างศาลา ท, ที่พักของพระภิกษุที่เดินทางไกลผ่านมายัางเมืองนี้ให้ท่านได้รับความสะดวกมีที่พักและก็อาหารในยามค่ําคืนก็จุดประทีปโคมไฟให้สว่างแก่ท่าน เจ้าหญิงโรฮินีทรงทำตามคำแนะนำของพระเชษฐาแผลผู้พองนั้นก็ค่อยๆหายไปหายไปจนในที่สุดพระนางก็มีผิวพรรณผุดผ่องสวยงามเหมือนแตก่ก่อนและในเวลาต่อมาก็ได้บรรลุโสดาปฏิพลเป็นพระโสดาบันเล่าจบท่านเจ้าของกุฏิจึงถามคนเป็นคุณหญิงว่าคุณหญิงเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทหรือยงัง นี่ขนาดเอาผงเตาร้างใส่ลงไปในแป้งก็ยังต้องมาเป็นโรคผิวหนังผุพองน่าเกลียดแล้วถ้าเอาน้ำกรดไปสาดเขาจะต้องรับการสาหัสสากันสักเพียงใดอาตมาจึงต้องขอบินทบาทไงละ่ะตกลงค่ะดิฉันยกให้ที่หลวงพ่อขอบินทบาทดิฉันยินดียกให้พูดจบก็เปิดกระเป๋าถือ หยิบขวดน้ำกรดที่ห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาลอย่างมิดชิตวางไว้บนอศัศนะกราบสามครั้งแล้วรีบลุกออกไปด้วยความรู้สึกอับอายขายหน้าหลวงพ่อครับผมขอความกรุณาช่วยเปลี่ยนชื่อและนามสกุลให้ผมใหม่ด้วยครับทหารยศพันเอกพิเศษพูดขึ้นเปลี่ยนทำไมเล่าชื่อเก่าก็ดีอยู่แล้วพ่อแม่ตั้งให้ไม่ต้องเปลี่ยน ยิ่งนามสกุลด้วยแล้วห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดคนเราจะดีจะเลวไม่ได้อยู่ที่ชื่อแต่อยู่ที่การกระทำใครมาขอเปลี่ยนชื่ออาตมาไม่เปลี่ยนให้สักกรายบางคนเขาเชื่อหมอดูบอกหมอดูให้เปลี่ยนเพราะชื่อเดิมเป็นกาลกินีเขาว่าเกิดวันจันต้องไม่มีสระเพราะจะเป็นกาลกินีอาตมาก็บอกไม่ต้องเปลี่ยน แล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนชื่อรวยแต่จนก็มีคนชื่อสวยขี้เร่ก็มีนี่ที่วัดนี้มีคนเข้ามาบอกอาตมาว่าพรุ่งนี้จะพาลูกสาวชื่อสวยมากราบอาตมาตอนนั้นอาตมายังหนุ่มอายุสักยี่สิบกว่าโอ้โหคืนนั้นนอนไม่หลับเลยนึกถึงแต่หน้าของคนที่ชื่อสวย แล้วกวาดภาพว่าคงจะสวยหยาดเยอะเหมือนเพชรชาราพอรุ่งเช้าเขาก็มาสวยไม่คะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งกระเซาท่านตอบว่าสวยสิโอ้โหแม่สวยคนนี้สวยจริงๆแต่สวยน่าเกลียดพิลึกตัวดำตาตีฟันยื่นอัตมาจะไปลมเสให้ได้ นี่ถ้าอาตมาเชื่อหมอดูก็คงจะแนะนำให้เขาเปลี่ยนชื่อลูกสาวเสใหม่แล้วละเปลี่ยนชื่ออะไรคะสตรีคนเดิมกระซ้าอีกเปลี่ยนเป็นสวยน่ากเกลียดอีกรายนะรายนี้เป็นผู้ชายมาแบบเดียวกันอายุจะหกสิบแล้วมาบอกหลวงพ่อช่วยเปลี่ยนชื่อให้ผมหน่อยเมียดาไม่พักเลยหมอดูเขาบอกถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่ เมียจะเลิกด่าอัตมาถามว่าใครตั้งชื่อให้ละ่ะเขาบอกพ่อตั้งให้แต่พ่อตายไปแล้วรับรองว่าแกไม่รู้ว่าผมไม่ได้ใช้ชื่อที่แกตั้งอัตมาก็ทักท้วงว่าอย่าเปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนรับรองเมียด่าคูณสองที่เคยด่าวันละสามชั่วโมงก็เพิ่มเป็นวันละหกเขาก็โกรธอัตมาเลยไปหาพระวัดอื่นเปลี่ยนให้ หลวงพ่อวัดนั้นบอกว่าต้องเปลี่ยนชื่อสมศักดิ์ชื่อบุญช่วยเป็นกาลกินีต้องเปลี่ยนเป็นสมศักดิ์รับรองผู้หญิงรักเมียจะเลิกด่าแกก็เลยไปเปลี่ยนเป็นสมศักดิ์เสร็จแล้วกลับมาเล่าให้อัตมาฟังว่าหลวงพ่อจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดเมียผมด่าสามวันสามคืนเลยบอกไอ้โง่ชื่อบุญช่วยก็ดีอยู่แล้ว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 ไม่เหมือนยังไงล่ะผู่พานคือตัวผมเองไม่อยากเปลี่ยนและผมก็เป็นคนไม่เชื่อหมอดูเมียก็ไม่ด่าผมแต่ที่ผมอยากเปลี่ยนชื่อทั้งนามสกุลเพราะผมติดแง ก, กอยู่แค่พันเอกพิเศษมาหลายปีแล้วขอเลื่อนขึ้นเป็นในพลพอนายเขาเห็นชื่อก็จีกทิ้งทุกทีเขาว่าผมปากเสียก็ผมมันคนตรงนายทาไม่ดีไม่ชอบ เช่นช่อราชบางหลวงร่วมมือกับพวกพ่อค้าตัดไม้ทำลายป่าผมก็ว่าเอาไม่เกรงใจเขาก็เลยว่าผมปากเสียแล้วก็ไม่ยอมเลื่อนให้ผมเป็นในพลทั้งที่ผลงานมีมากผมก็เลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลใช่ไหม่เพื่อตบตานายได้เป็นในพลเมื่อไหร่จะเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมนามสกุลเดิมทันทีหลวงพ่อกรุณาเปลี่ยนให้ผมด้วยเถอะครับ ตกลงตกลงกรณีนี้อนุโลมได้เอาละเดี๋ยวอาตมาจะเปลี่ยนให้แจวเลยนะแล้วก็จะเสกให้ด้วยรับรองผูกพันได้เป็นในผลแน่อาตมารับรองพันเปอร์เซ็นขอบพระคุณครับได้เป็นในผลเมื่อไหร่ผมจะแก้แค้นไอเหงนสวยคนนี้แน่แ่ผมมันคนตรงครับใครดีก็ว่าดีใครชั่ว ก็ว่าชั่วไม่เหมือนไอ้พวกที่ชอบเลียแข่งเลียขานายเลวยังไงมันก็ยังยอว่าดีนายมีเมียน้อยไปแย่งเมียชาวบ้านมามันก็ยกย่องเมียน้อยนายบางคนถึงกับเกะากะใจกับโรงเมียน้อยของนายขึ้นมาเป็นในพันในพลแต่ผมทำอย่างมันไม่ได้มันละอายใจและผมก็ว่าด้วย ไม่กลัวใครทั้งนั้นนายเขาก็เลยไม่ชอบผมแล้วก็หาว่าผมปากหมาคนเล่าหยุดหายใจท่านพระครูหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึง่งเขียนชื่อแล้วก็นามสกุลให้เขาใหม่แล้วก็พับใส่ซองหลับตาทำปากขมุบขมิบเป่าเพียงๆสองครั้งแล้วก็ส่งให้ในายพันเอกพิเศษอ้าวรับรองชื่อนี้ได้เป็นนายพลแน่ แล้วอย่าลืมเปลี่ยนกลับเสียล่ะกลับมาใช้ชื่อเดิมที่พ่อแม่ตั้งให้ครับผมขอขอบพระคุณท่านมากครับโอกาสนี้ผมขอถวายปัจจัใจแด่หลวงพ่อไว้สำหรับใช้สอยส่วนตัวเขาประเคนซองสีขาวแก่ท่านอ๋อข้าจ้างเปลี่ยนชื่อหรือท่านถามยิ้มยิ้มหาไม่ได้ครับผมตั้งใจจะทำบุญอยู่แล้วครับ เขากราบสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปหลวงพ่อคะก็ไหนหลวงพ่อเคยพูดว่าไม่ชอบทางเสกเป่าและทำไมวันนี้หลวงพ่อทั้งเสกทั้งเป่าให้ผู้พันคนนั้นละคะสตรีคนหนึ่งทักท้วงมันจําเป็นนะโยมกดทุกกดยังต้องมีข้อยกเว้นและทำไมกฎของอาตมาจะมีข้อยกเว้นบ้างไม่ได้คืออย่างนี้นะโยม ใครที่มีทุนเดิมอยู่ห0สิบเอร์เซ็นตแล้วอาตมาถึงจะช่วยไม่ใช่ช่วยสุมสีุ่มห้าอย่างไรเนี่ยเขาจะต้องได้เป็นในพนแน่ๆอยู่แล้วอาตมาก็เลยช่วยลุ้นเขาหน่อยเอาละใครมีอะไรก็ว่าไปเวลาสามทุ่มแขกคนสุดท้ายลุกออกไปแล้วหากท่านพระครูยังไม่ยอมลุกจากอาศะนะนายสมชายจึงถามว่า หลวงพ่อเหนื่อยเจ้าลุกไม่ไหวแล้วหรือเปล่าครับผมจะช่วยประคองขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ต้องรอกแขกกำลังมาอีกรายหนึ่งเจ้าหมีมันวิ่งออกไปรับที่หน้าประตูวัดแนะ่ท่านเห็นเป็นไปได้เหรอครับก็เจ้าหมีมันไม่เคยเป็นมิตรกับใครทำไมเกิดจะไปญาติดีกับรายนี้ก็เล้นมันมันมีศัก เป็นปูทวดของแขกรายนี้เห็นไหมพอเข้าลงจากรถมันก็เข่าไปเลียแข้งเลียขาเลียหมดทุกคนทั้งลูกๆเขาด้วยผมไม่เห็นหรอกครับเพราะผมมองทะลุฟาอย่างหลวงพ่อไม่ได้ชายหนุ่มว่าถ้าอยากทำได้ก็ต้องมันปฏิบัติกรรมฐานผมว่าผมอยู่อย่างนี้ดีแล้วครับคืนเก่งมาหลวงพ่อ ผมคงทนไม่ได้ทำงานทั้งวันทั้งคืนแถมได้นอนวันละแค่สองชั่วโมงพอดีกับเจ้าหมีนำอคันธุกะเข้ามาในกุฏิเป็นชายวัยสาสิบเศษมากับภรรยาวัยเดียวกันพวงท้ายด้วยบุตรชายหญิงไวัยไล่เลี่ย ก, กันถึงห้าคนหลวงพ่อครับผมต้องขอโทษที่มารบกวนในยามวิการโยมาจากไหนล่ะ ท่านถามเหลนเจ้าหมีคนเป็นปูท่ทวดส่งเสียงงืดงาดแล้วก็เดินเลียลูกของเหลน อ, อย่างรักใคร่จนครบทั้งห้าคนผมมาจากภูเก็ตครับทำเหมืองแร่อยู่ที่นั่นผมกำลังพาครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม่เพื่อนเขาสั่งว่าให้มาแวะกราบหลวงพ่อที่วัดป่ามะม่วงให้ได้ เขาบอกว่าพอมาถึงก ม, มที่ร้อยสสิบก็ให้เลี้ยวเข้าไปเลยเขาพูดถึงหลวงพ่อให้ผมฟังบ่อยๆจนผมอยากจะมารู้จักหลวงพ่อเพื่อนผมเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขาชื่อจรินครับอ๋อโยมจรินนั่นเองและโยมทานอาหารกันมาหรือยังหิวหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับหลวงพ่อครับ ผมขอถวายปัจจัยร่วมทําบุญกับหลวงพ่อครับถ้ามีนักเรียนที่ยากจนขัดสนหลวงพ่อกรุณานำเงินจำนวนนี้ไปมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เขาด้วยผมขอถวายหนึ่งมื่นบาทครับเขาประเคนซองสีขาวแ ด, ด่ท่านเจ้าของกุฏิอัตมาขออนุโมทนาในกุศ ล, ลจิตของโยมและครอบครัวตกลงอัตมาจา จัดการให้ตามความประสงค์และจะตั้งชื่อทุนนี้ว่าทุนเสริมสมองถ้าใครจะมาสมทบอีกอาตมาก็จะได้ตั้งเป็นมูลนิธิการช่วยให้คนยากจนเดีวเรียนหนังสือจะทำให้ได้อานิสงคือลูกหลานของเราก็จะเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ได้เป็นเจ้าคนนายคนอนาคตขออนุโมทนาด้วยเมื่อเข้าลากลับ เจ้ามีก็กุลีกุจอไปส่งถึงรถเลียแข้งเลียขาเหลนและลูกๆของเหลนแล้วก็วิ่งตามรถเบนซ์คันนั้นไปจนถึงประตูหน้าวัดแล้วก็ไม่ได้กลับมาเข้านอนที่กุฏิชั้นล่างเหมือนแต่ก่อนท่านพระครูรู้ว่ามันจะลาโลกนี้ไปในวันพรุ่งนี้เพราะหมดห่วงแล้วเลนของมันได้มาทำบุญที่วัดป่ามะม่วง ตามที่มันคาดหวังและรอคอยมานานกรุ่งเช้าหญิงชาราที่เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในวัดป่ามะม่วงได้มาเล่าให้ท่านพระครูฟังว่าพบเจ้าหมีนอนหายใจระทดระทัวอยู่หน้ากุฏิกรรมฐานจึงเรียกคนมาช่วยกันอุ้มเอามันไปอาบน้ำถูสบู่จนสะอาดสะอ้านแล้วก็ปูผ้าขาวให้มันนอนมันก็นอนตายอย่างสงบ เมื่อเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาท่านพรดครูรับทราบแล้วจึงให้ในายสมชายไปนิมนต์เนนสี่รูปมาบังสกุลให้มันพร้อมกับให้นำเงินใส่ซองถวายเนนรูปละห้าสิบบาทบังสกุลแล้วนายสมชายก็จัดการขุดหลุมฝังศพเจ้าหมีไว้ที่ใต้ต้นปีบเจ้าโหมกับเจ้าขาวก็มาร่วมงานฝังศพพี่ชายของมันด้วยแต่ไม่ได้ร้องไห้ คนที่ร้องไห้จะเป็นจะตายก็คือนายขุนทอง